ยติกรร ม, มวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงถามพระวินัยกับท่านพระสัพพกามีท่านพระสัพพกามีจึงประกาศให้สงทราบ ด้วยยติกรมวาจาว่า